เริ่มพระรรมฐานที่แรกไปฟังพระกรรมฐานท่านเทคกูวาอาจารย์กรรมฐานท่านเทศแทำอยู่กับใจทนะ่าวันให้กำหนดใจไว้ให้ดีเพราะทำอยู่กับใจทนะ่านเราก็ยังไม่ไม่อยากจะเชื่อ ทำอยู่กับใจที่ไหนอยู่กับคำพีนี้วางในใจไหม ท, ทํท า, ทอทอทาอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจทำทั้งหลายอยู่ที่ใจแล้วไม่ยักเชื่ อ, อะพระธรรมแปดหมื่นสิบพันพระธรรมขันารอยู่ที่ใบคำภี์ทั้งนั้นมาว่าอยู่ที่ใจทําไมว่านี่เป็นความรู้สึกเจ้าของ มีหมายเป็นความรู้สึกดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นแต่พอฟังท่านเทศเข้าไปเรื่อยๆองไหนท่านเทศท่านก็บอกอย่างนั้นไม่เคยเทศผิดเพี้ยนกันไปเลยว่าทำอยู่กับใจทำอยู่ที่ใจพอฟังไปโดยลำดับ จิตมันปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะฟังธรรมคือที่แรกเวลาฟังท่านเทศจิตมันส่งไปหาท่านโน้นมันไม่ได้อยู่กับตัวท่านบอกว่าอย่าให้ส่งจะส่งจิตออกมาสู่ภายนอกให้ทําความรู้ไว้ภายมนตัวเองทําจะเข้าไปสัมผัสเองที่จากการะแสทย่างทำที่ท่านแสดงไปมันก็ไม่ฟังมันก็ส่งออกไปโน้นไปหาท่านเทศ ดีไม่ดีอยากจะมองดูหน้าท่านด้วมันถึงถนัดฟังเทศทาไมไ ด, ดูหน้าผู้เทศเละดูปากผู้เทศรู้สึกไม่ถนัดนี่เป็นความรู้สึกตั้งเดิมแ้เวลาฟังนานๆ น, น, น, น, นี่มันปรากฏผลขึ้นเป็นความสงบภายในใจในขณะที่ฟังเทศท่านเริ่มเกิดความเชื่อว่าทำอยู่ที่ใจสมาธิทำอยู่ที่ใจแล้วมี เริ่มมีสักขีพยานขึ้นมาขณะฟังเทศทา่านจิตไม่ส่งไปอื่นที่นี่ส่งไปหาท่านก็ไม่ส่งมันเพลินกับความสงบใจเกิดความสงบเกิดความเยือกเย็นขึ้นมาในขณะฟังแล้วเพลินไปเรื่อยๆเลยทำให้เกิดความเชื่อว่าทำอยู่ที่ใจนั้นถูกต้องแล้วเองเริ่มเริ่มเป็นความเชื่อขึ้นมาในขณะที่ สมาธิธรรมคือความสงบเย็ยนใจปรากฏขึ้นในจิตของเราขณะที่ฟังเทศจากท่านต่อจากนั้นก่อนเป็นเหตุให้อยากฟังอยากได้ยินได้ฟังเรื่อยๆเพื่อเป็นเครื่องกล่อมปิดกล่อมใจเราในลำดับแรกเป็นอย่างนี้ขั้นลำดับต่อไปการปฏิบัติธรรมจะเดินจง ก, กรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดี ผลปรากฏขึ้นมากน้อยปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นที่อื่นขณาที่จิตไม่มีความสงบวุ่นวายตัวเองก็อยู่ที่ใจมีทราบว่าวันนี้จิตไม่สบายเลยมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายตามอารมณ์ต่างๆเฮ้ยทำไมวันนี้จิตไม่สบายก็ทำให้เกิดความต้นใจขึ้นอีกในแง่หนึ่งจะพยายามหาทางสงบให้ได้ แล้วก็เข้าที่ภาวนาก็าเป็นความสงบขึ้นม า, านี่คืยิ่งเป็นความชัดเจนขึ้นว่าทำอยู่ที่ใจโลกมันอยู่ที่ใจทำก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นผู้ฟังเทศจึงควรทำความรู้สึกไว้จำเพาะตัวเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องส่งจิตออกไปสู่ภายนอกมีออกไปเกี่ยวข้องกับท่านผู้เทศเป็นต้น เมื่อเราทำความรู้สึกไว้กับตัวของเรานี้ธรรมเทศนาที่ท่านแสดงไปมากน้อยไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ของเราจิตเป็นผู้รู้กระแสะเสียงที่เกี่ยวกับธรรมเข้ามาสัมผัสแล้วสัมผัสกันไปเรื่อยๆจิตไม่มีโอกาสที่จะส่งไปถูกภายนอกแล้วทำเป็นเครื่องเย็นแล้วก็ทำให้เพลินไปเพลินไปกับขณะนี้ขณะนั้น คือทำสัมผัสเป็นขนะขนะตามกระแสเสียงการทีเท้นเป็นบทเป็นบาทสัมผัสต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอีกก็ค่อยสงบเย็นลงไปเย็นลงไปนี่เป็นผลขึ้นมาแล้วจากการฟังธรรมเพระนั้การฟังธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้เห็นผลประจักษ์ จึงต้องตั้งกิจไห้ภายในตัวเองไม่ต้องส่งออกไปภายนอกและไม่ต้องคิดต้องกรองอะไรมากมายในขณะที่ฟังคอยฟังให้เป็นความรู้สึกเข้าใจไปกับกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปเท่านั้นแต่ซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจของเราจิตใจเมื่อไม่กวนตัวเองด้วยความคิดในเรื่องต่างๆมันก็สงบเท่านั้นแต่ต้องสงบ ด้วยวิธีแก้กันคือจะให้จิตสงบ เ, เฉยเฉยอย่างนั้นมันไม่ได้ต้องอาศัยบทธรรมบทใดบทหนึ่งหรืออาศัยการฟังธรรมในขณะท่านแสดงอย่างนี้ถึงจะเกิดความสงบอะไรเล่าที่วุ่นมากในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะวุ่นมากยิ่งกว่าใจถ้าพูดถึงเรื่องความขุ่นมั่กม็มีอะไรที่จะขุ่นมัวยิ่งกว่าใจความทุกข์ความเดือดร้อนมากมาย เพียงไรไม่มีอะไรที่จะสู้ใจได้ไยก็ว่าร้อนแต่ไม่ร้อนเหมือนใจของเราที่ร้อนที่ทุกเพราะอำนาจตองกิเลสเรื่องของกิเลส่ไมีตั้งแต่แสดงให้เกิดความทุกข์ไปโดยลำดับลำดับเท่านั้นท่านจึงสอนนัเห็นโทษ พยายามตั้งสติพิจารณาในแง่ต่างๆด้วยความจงใจเมื่อสติกับความรู้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลาดับการพิจารณาในแง่ต่างๆจะเป็นทางด้านปัญญาหรือแง่ไหนก็ตามต้องได้อุบายแยกพาขึ้นมาโดยลำดับอย่างท่านสอนว่าชราปิุกขามานนำปิฏฐขัง อริยสัจจังเขาบอกอริยสัจชาติบิวขาชลาปิวข า, ช า, วขาชาติความเกิดเป็นทุกข์แล้วเราก็มีความเพลิดเพลินในเรื่องการเกิดเห็นลูกเกิดขึ้นมาก็ดีใจหลานเกิดขึ้นมาก็ดีใจญาติมิสหายลูกหลานของญาติมิตจหายเกิดขึ้นมาก็ดีใจไม่ได้คำหนึงพึงความทุกข์ของเด็กที่เกิดขึ้นมาแต่ละลายรายรี่ว่ารอดตายนั่นมามานั่นเลย ถ้าเราดูแง่ต้ น, นมันเห็นชัดเจนกับแง่ปลายคือความตายแล้วมันก็เท่ากันจะทำให้เกิดความเพิดเพลินที่ไหนได้เพราะรอดตายมันถึงจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาถ้าไม่รอดก็ไปในขนานั้นตายในท้องก็มีตายในขนาที่ตกคลอดออกมาก็มีก็เพราะความทุกข์ถึงขนาดตายมันถึงตายได้คนเราเการเกิดขึ้นมา เป็นคนอายุขนาดมากน้อยเพียงไรมันก็ต้องทุกข์ถึงตายมันถึงตายได้ความทุกข์อันนี้มันมีมาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าเป็นสัตยธรรมเป็นสิ่งที่นา่าเห็นโทษเห็นไถ่เป็นความขยะแขยงตัวจะกำจัดปัดเป่าให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยความท่าเลียนของเรามีสติ ป, ปัญญาเป็นสำคัญเมื่อเรามีความเพลิดเพลินใน ความพอใจในตอนต้นแต่เราไม่พอใจในตอนปลายจงความเกิดเราพอใจความตายเราไม่พอใจมันก็ขัดแย้งกันไปวันยั่งคําความขัดแย้งกันมันเป็นความสุขที่ไหนในหัวใจคนเราต้องเป็นครความทุกข์อยู่โดยดีเพื่อให้ต้นกับปลายกลมกันจึงต้องให้พิจารณาไปตั้งแต่ชาติปีพุขาชร า, าปิพุยขามรณะปีพุก ข, ขังนตลอดสายไปเลยมันเป็นเรื่องของกองทุกข์ทางแห่งความทุกข์เดินทั้งนั้นมันจะทางอะไรเดินนี่ เมื่อสรุปลงในการพิจารณารอบรู้ในสิ่งทั้งหลายนี้แล้วทั้งกัวรกข้างนัตถิอาชาตัสสะทุกย่อมมมีแก่ผู้ไม่เกิดนานเมื่อไม่เกิดมาแล้วมันจะมีทุกที่ไหนคือเชื่อให้เกิดไม่มีเชื่อไม่เกิดให้เกิดไม่มีก็คือเชื่อแห่งทุก์ไม่มีนั่นเองทุกก็มีในหัวใจเพราะฉะนั้นพระหันท่านจึงไม่มีทุกขเวทนาภายในจิตใจ หรือว่าเวทนาอย่างนี้ท่านไม่มีสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีภายในจิตใจของบระหรันท่านไม่มีมีแต่จิตเป็นพวกเราการพวกเราส่วนกลายงท่านมีท่านทุกเหมือนกันกับเราเนี่ยเป็นแต่เพียงว่าจิตนะั้รับทราบไม่สามารถที่กระทบกระเทือนจิตใ จ, จท่านให้หวันไหมายได้เหมือนจิตใจของผุ้ตชนสุขท่านก็รู้ในส่วนร่างกายทุกท่านก็รู้ เฉยท่านก็รู้แต่ทางด้านจิตใจของท่านไม่มีเรื่องเวทนาทั้งสามเพราะจิตนั้นพ้นไปจากเวทนาแล้วไม่มีอะไรจะเข้าไปแทรกสิงได้เลยเป็นธรรมนวนอันนี้จังทุกขังตาที่เรียกว่าทุกขเวทนาก่อนอนนี้จังทุกขังตาสุขทเวทนาก็เป็นไอจังทุกขังตาอุเบกขาเวทนาก็เป็นไอจังทุกขังตานี้จึงไปเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมชาตินั้นไม่ได้ เาอยากมีความเจริญภายในจิตใจคอยพยายามสร้างคุณงามความดีศีลทานอย่าได้ขาดเป็นความดีสนับหล่อเลี้ยงจิตใจของเราที่จะสืบพบสืบชาติต่อไปคนเราที่มีพื้นฐานอันดีด้วยคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วไม่ว่าจะพบใดชาติใดก็ต้องมีความดีติดตามเสมอ สุขติาเป็นที่หวังได้และเมื่อยังไม่พ้นจากกองทุกข์มาให้เจียรคร้านพยายามามีความสามารถที่จะเจริญเมตตาพรน า, าเพื่อส่องดูจิตใจของตนที่เต็มเปด้วยความทุกข์ร้อนต่างๆนี้ก็ให้ทำไปอย่าได้ลดละขาดไปทุกวันขัดไปทุกวัน จิตใจเมื่อรับการขัดเกลาอยู่เสมอย่อมมีความป่องใสเมื่อจิตมีความป่องใสแล้วย่อมจะเห็นเงาตัวเองเหมือนกับน้ําใสมองเห็นอะไรได้ชัดเจนจะเป็นฝากเป็นหนามหรือเป็นสัตว์ชนิดใดๆก็ตามอยู่ในน้ํานั้นสามารถที่มองจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนอะไรที่เป็นพิษเป็นพายอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจมีความสงบแล้วสามารถที่จะมองเห็นได้รู้ได้ง่ายยิ่งกว่า ที่ขุนมัวไปด้วยวิเยศ อ, อาสมะหรือความว่าวุ่นทั้งหลายนท่านจึงสอนให้ชำระอิจใจในโอวาทิท่านรวมไว้ในโอวาทปฏิโมกข์สัพปะปัสสะอาการหนังการแม้ทำความชั้วทั้งหลายนั่นแหลประการหนึี้กุจะสู้ประซึมประทายังกุศลให้ถึงพร้อมประการหนึ่ง สกิทธประโยชน์ปัญังการทํากิจให้ท่องแผ้วถึงความเมื่อสุดนั้นประการหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำํำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามท่านก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นบาปเศร้าหมองท่านไม่ให้ทำํำพยายามทําตั้งแต่กุศลคุณงามความดีเพราะความฉลาดของตน กุศลสูปราสัมปทาคือยังความฉลาดให้ถึงพร้อมนั่นนั่นเองการทําจิตให้มีความผ่องใสจนถึงขั้นบริสุดนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่อยู่ในความสามารถของมนุษย์เราที่จะทําพระพุทธเจ้าก็ลำบากพระสาวกทั้งหลายท่านก็ลำบากบรรดาท่านผู้ถึงความเบิกสุด ต, ต้องลำบากด้วยกันทั้งนั้นแต่ลำบากเพื่อความเบิสุดเพื่อความบุดพ้นไม่ใช่ลำบากเพื่อความร่วมจม เเป็นสิ่งที่น่าทำคิดเวลามีสิ่งสุกภกสมมมครอบงำอยู่มันก็ไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรแม้ตัวของตัวเองก็ตำหนิติเตียนตัวได้บางทีอยู่ก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะตายเสียดีกว่าอย่างนี้ความอินนาระอาใจในความเป็นอยู่ทั้งหลายไม่อยากอยู่ในโลกในโลกเขาได้เห็น นี่เพราะจิตมันอับเฉาจิตมันขุ่นมัวมากจนกายเป็นไฟทั้งกองไม่น่าอยู่่ะเวลามันอับเฉาขนาดนั้นจิตเพราะสิ่งที่อับเฉาสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามันครอบจิตซะจนมองหาสาระสาคัญของจิตไม่มีเลยถึงคิดอยากจะตายไปเห็นว่าจะดีตายไปแล้วมันก็ไม่ดีมันจะดีมาจากไหนปัจจุบันมันยังไม่ดีอยู่แล้ว ถ้าจะดีด้วยความตายโลกนี้ก็เคยตายกันมานานทำไมไม่เห็นดีมันไม่ดีนั่นเองถึงไม่อยากตาย้ามันดีแล้วตายหรือไม่ตายมันก็อยูปัญหาอะไรเพราะมันดีอยู่แล้วขณะที่มสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลย้าครอบงามจิตนั้นจิตมันไร้สาระไปหมดแต่เมื่อแต่ชำะระศาสางออกโดยลำดับลาดับ ค่อยๆส่องแสงสว่างออกมาให้เห็นประจักษ์ภายใจิตใจคือความสงบเย็นใจจิตใจก็ผ่องใสสบายยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่หรือทําหน้าที่การงานอะไรอยู่ก็มีความรื่นเรมิมันเติงด้วยความสุขที่ปรากฏอยู่กับจิตใจของตนเองคนลราเมื่อจิตใจมีความสงบเย็นใจแล้วอยู่ที่ไหนมันก็พออยู่ทั้งนั้นเนี่ย มันสำคัญอยู่ที่ใจถ้าหากใจไม่ดีอยู่น้นยีมันก็ไม่ดีที่นี่ว่าจะดีที่นั่นว่าจะดีหลอกเจ้าของไปเรื่อยๆที่นน้วนว่าจะดีชาตินี้ไม่ดีว่าชาติหน้าจะดีเป็นอยู่ไม่ดีว่าตายไปห็นจะดีมันหลอกไปเรื่อยๆผู้ที่ร้อนๆอยู่นี่แหละมันหลอกผู้ที่กุ้มบุมถูกกุ้มบุมอยู่ด้วยความรุมร้อนทั้งหลายเนี่ยมันหลอกเรา นั่นจะดีนี่ก็ดีมันไม่ได้ดีไปอยู่ที่ไหนก็เท่าเดิมมาเลยเพราะตัวนี้ไม่ดีจึงต้องแก้เพื่อให้ดีแก้ด้วความเพียรของเราให้พยายามพิจารณากําจัดด้วยความเพียรทําสมาธิก็ให้มีความสงบได้ บ, บับงคับบัญชาจิตในขณะที่ทําสมาธิภาวนา คือขณะที่บังคับจิตฝึกทรมานจิตไม่ใช่เป็นขณะที่จะปล่อยไปตามอำเภอใจของจิตท่านจึงเรียกว่าความเพียรเพียรเพื่อละเพียรเพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศิกต่อใจจนใจได้รับความสงบขึ้นมาใจได้รับความสงบนั้นเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความปล่อยไปตามใจเราควรจะเห็นผลด้วยเห็นคุณค่าของความเพียร นี้บ้างแล้วเพราะเรามีความสงบใจลงได้ด้วยความเพียรแล้วสงบลงไปได้เรื่อยๆเพราะความเพลนพราะเพราะความเพียเพรเรเืเ่อยๆเนี่ยคุณค่าของความเพียรก็ควรจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นตามคุณค่าของกิจที่เป็นผลออกมาจากความเพียรอ้าวพิจารณาทางด้านปัญญากบบกาหนดพิจารณาไปให้เห็นชัดเจนแต่ตรองดูสิ่งทั้งหลายให้เห็นตามความจัดความจริงของมันที่มีอยู่ใน โลกทั้งหลายนี่โลกทั้งหมกว้างแสนกว้างอันว่างนั้นแต่สิ่งที่มันคับแคบที่สุดก็คือหัวใจที่ติดตันได้วยกิเลสมันคับแคบนั่งอยู่นอนอยู่ก็ไม่สบายอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สบายคือมันแคบมันทับตัวเองเหนี่ยแก้ตรงธรรมชาติที่มันแคบแคบนี้ออกให้จิตใจได้รับความกวาม้างขวางเบิกบานยิ้มแย้งแจ่มใสขึ้นมาภายในตัวใจิตใจก็โล่งเย็นสบาย อ้าวที่นี่เราจะพิจารณาที่เมืองทุกันก็มีกําลังอยู่พิจารณาพอใจที่พิจานาเพราะทุกเป็นหินรับสติรับปัญญาให้มีความให้มีให้ขมกล้าขึ้นเป็นลําดับตัดฟาดฟันกิเลสจะอาสวะออกด้วยสมาธิประกันด้วยปัญญาหนีถอดถอนกิเลสป็นถอดถอนด้วยปัญญาจัด ก, กิเลสมามัดไว้ด้วยสมาธิคือจิตสงบลง สมาธิก็รวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงเดียวไม่ซ่าออกไปในที่ต่างๆจนถึงกระจับตัวไม่ได้ปัญญาคลี่คลายออกมาดูให้เห็นชัดเจนว่าจิตนีม้มีความติดข้องผูกพันกับสิ่งใดรูปเสียงกลิน่นลดเครื่องสัมผัสหรือรูปเหตนาสัญญาสั้งขางนยิญญาแยกแยะดูให้เห็นละเอียดถี่ถ้วนตามหลักความจริงของมันที่มีอยู่ ใครควรแล้วใครควเรเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเป็นสิ่งที่ท่องเที่ยวของสติปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นหินรับปัญญาพิจารณาเท่าไรก็ยิ่งแตกฉานออกไปรเรื่อยๆก็ใจตามเป็นความเป็นจริงแล้วค่อยปล่อยวางลงไปเรื่อยๆการปล่อยวางก็คือการปล่อยวางภาระที่กดท่วงอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยอำนาจแห่งอุปาทานนั่นแหละคิด คิดเรื่องอะไรบ้างเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรคิดขึ้นไปในขณะก็ดับไปในขณะคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ดับเท่านั้นท่านเรียกว่าสังขารความปรุงความปรุงขึ้นความเกิดขึ้นอย่างสังขารคือความปรุงกับความดับไปมันเป็นของคู่กันเกิดเกิดกับดับพร้อมอยู่ในเวลานั้นแล้วเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่ไหนได้กับความเกิดเกิดดับแบบนั้น เนี่ยเทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่แล้วคล้ายๆก็กลัวคำว่าทุกเราจะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรทุกทั้งกองเราย่อมมาถือเป็นเราเหถอถือเป็นเราก็ถือเอาไฟมาเผาจิตใจของเราทุกให้ทราบมันเป็นทุกผู้ที่เศร้าเป็นทุก์ไม่ใช่ทุกนั่นคือใจใจเป็นผู้รู้เรื่องทุกทั้งหลายทุกเกิดขึ้นใจก็รู้ทุกตั้งอยู่ใจก็รู้ ทุกดับไปใจก็รู้รู้ด้วยปัญญารู้อยู่ธรรมชาติอย่างหนึ่งรู้ด้วยปัญญาเห็นแย่งแจ้งชัดเจนว่าทุกเป็นทุกเราเป็นเราคือรู้เป็นรู้ทุกเป็นทุกขนี่ประการหนึ่งนี่จะวางไหมสัญญาจําได้เท่าไรมันก็ลืมไปหมดถ้าต้องการจะจําก็มาตั้งใจจากันใหม่จําไปพร้อมดับไปพร้อมขณะเดียวขณะเดียวกันเช่นเดียวกันเนะยนี่เหลือเป็นตน ความจําได้หมายรู้แล้วดับไปดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆนั้นนั่นหรือเป็นเราเป็นของเราถ้าว่านั้นเป็นเราเป็นของเราเราก็ดิ้นอยู่ตลอดเวลาคือเพราะทุกเพราะสัญญาจําได้แล้วดับไปจําได้แล้วดับไปเนี่ยความทุกข์ก็เกิดดับๆับเราถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราเราก็ต้องพอให้เกิดเกิดดับดับใหรับความเดือดร้อนวุ่นวายไม่หยุดไม่ถอยนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นสภาพที่เกิดที่ดับ มีอยู่รอบใจของเราอยู่รอบตัวรอบตัวคือรอบขันหรือว่ารอบใจวิญญาณเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เมืม่อไหร่เห็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันเกิดนู่นเราได้สาระอะไรจากมันพอรับทราบพับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันก็ดับไปพร้อมๆพร้อมๆพรอมๆเนเอาอะไรมาเป็นสาระไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระ รูปน <jas> ั well <sh> <tan> ้นหรือเป็นตนเสียงหรือเป็นตนกลิ่นดเครื่องสัมผัสนั้นหรือเป็นตนฮหรืออะไรยินญาณความความรับทราบสิ่งเหล่านั้นที่มาสัมผัสนั้นหรือเป็นตนมันรับทราบพรับพรับพรับแล้วดับไปพร้อมพร้อมพร้อมนั้นหรือเป็นตนเป็นตัวอะไรความเกิดควาดับพร้อมจะถือเป็นตนเราจะเอาความนอนใจกับมันได้อย่างไงมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับเรายังถือความเกิดความดับนั้นว่าเป็นตน แล้วก็ยุ่งไปวันยังคำ่ำโอเคเพราะสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดมีดับทั้งนั้นไม่ว่ารูปของเราไม่ว่าเพทนาสุขทุกข์เฉยเฉยไม่ว่าสัญญาสังขานวิ ญ, ญาณมันมีเกิดมีดับของมันเป็นประจําอยู่ทุกอย่างทุกอาการแล้วเราจะไปค ว, ว้าวันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราอยู่ได้อย่างไรทั้งทั้งที่มันเกิดมันดับก็ทราบ อ, อย่างประจับจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของหมัน่นผู้รู้ไม่ดับเอใจแท้ๆ้ผู้รู้ ผู้นี้ไม่ดับอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้ผู้ที่รู้นี้ไม่ดับดับแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นดับไปของเขาเช่นรูปเลทนาธัรญาสัางขารวิญญาณนี่เป็นสภาวะธรรมท่านเรียกว่าเป็นไตร ล, ลักษณ์ไตรลักษณ์คือที่จา้าตัวกลางตายจะมาถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรอถ้าพิจารณาให้ถึงเหตุถึงผลด้วยสติปัญญาแล้วมันก็อาจจะประยึดถืออืม แต่เวลามันพิเรนมันนั้นหนามันไม่ได้เคยพิจารณาแล้วมันมันไม่ทราบว่อ่ า, อานอา่านมันด้านของมันจะวางไงนี่แล้วพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วมันต่อของมันเองต่อยออกโหมดถึงเวลาจะเป็นจะตายให้เอาอันนี้แหละเป็นสนามรบนะเออจะพ่ออย่างยิ่งทุกขเวทนานั่นแหละจะออกหน้าออกตาที่สุดในขณะจะแตกจะดับเอาทุกขเวทนานั่นแหละ กับจิตนี่นะ่ะเป็นสนามลบพิจารณากันให้เห็นตามความจริงของมันจะทุกข์มากขนาดไหนมันไม่เลยตายทุกนี้ถึงถึงแค่ตายธาตุขันนี้ถึงแค่ตายจิตใจไม่ถึงแค่ตายเลยตายนั่นเพราะจิตไม่เคยตายมันเหนือสิ่งเหล่านี้อความทุกข์กระทุกถึงแค่ตายเท่านั้นไม่เลยจากนั้นเวทนาตัวไหนจะปรากฏขึ้นมาก็ถึงแค่มันดับเพราะมันเท่า น, นั้นมันจะทุกข์มากทุกน้อยจิตรับทราบอยู่ตลอดเดือนละ เมื่อมีสติเราจะทราบทุกระยะระยะของทุกเวทนาที่เกิดผู้รู้มันไม่ได้ดับเราจะไปวิจตกวิจารณ์อะไรกับเวทนาซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นอาศัยจิตเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่จิตอาศัยธาตุขันเกิดขึ้นอาศัยกายเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กายมันเป็นเวทนาของมันเช่นทุกเวทนาเป็นต้นนี่มันเป็นคนละชิ้นละอันคนละอย่างอยู่เช่นนั้นนี่คือความปินล้วนเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ปีนเปียวกับความปีนแล้วเราก็สนุกพิจารณา ขเวทนาทั้งหลายแต่พ่ออย่างยิ่งในวาระสุดท้ายเอาขึ้กันให้เต็มเหนียวทีเดียวอะไรจะดับก่อนดับหลังถ้ามันรู้เพราะผู้รู้นี่จะรู้ตลอดสายจกนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างดับไปหมดผู้รู้นี่ก็ยังไม่ดับนี่นะการพิจารณาถ้าเราได้เห็นเหตุเห็นผลกระ็แค่ครั้งหนึ่งเท่านั้นความอาจฐานในเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นทันที ถึงคราวจาเป็นนางอย่างนี้มันจะเตรียมท่ากันเลยอ่ะเตรียมท่าและไเตรียมท่าเป็นนักรบเข้าสู่สงครามระหว่างขันกับจิตพิจารณาด้วยปัญญาเอาปัสติปัญญาเป็นเครื่องมือฟาดฟันหั่นแหลกลงให้ถึงความจริงแหลกลงไปไม่ไปถึงไหนถึงความจริงนะฟาดฟันลงไปก็คือฟาดฟันให้ลงให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นความจริงเน่าราบไปหมด สงบไปหมดไม่มีอะไรจะมาก่อควาจิตใจอันใดที่ยังมาก่อควาจิตใจอยู่ได้อันนั้นเรียกว่าจิตยังยังยังไม่พิจารณาให้ถึงความจริงเต็มที่ได้ถ้าถึงความจริงเต็มที่ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเหย่มาแทงมายุมาควรจิตใจได้เป็นสภาพที่กิงทั่วทกันไปหมดนั่นท่านเรียกว่าราบลงด้วยความจริงเพราะอานาจแห่งปัญญาพิจารณาเห็นชัดนี่แหละ ถ้าพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายหรือท่านผู้สิ้นทุกข์ทั้งหลายท่านสิ้นที่ตรงนี้เนีตรงที่ทุกมีทุกมีมีที่ไหนมีอยู่ที่กายที่ขันอันนี้ที่จิตอันนี้แยกแยะกันก็แยกแยะที่นี่รู้ก็รู้กันที่ตรงที่เราเคยหลงนี่แหละไม่รู้ที่ไหนผู้ที่จะทําให้รู้ก็คือปัญญาเครื่องมือบุกเบิกหาความจริงไม่มีอะไรที่จะเทียมเท่า สติปัญญาได้นี้เป็นเครื่องมือที่บูบวกให้ถึงความจริงที่สุดแห่งธรรมทั้งหลายและเป็นเครื่องสํารอกปลอกกิเลสออกจากจิตใจได้อย่างสิ้นเชิงก็ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนสติกับปัญญาจึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแ ก, รก้กิเลสอาสวะเราจึงนําสติปัญญานี้ไปใช้ในเวลาจําเป็นคือเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจวนตัวนั่นแหละไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ ยาติมิจฉาตหิงหกลก่กายพ่อนี่ยพี่น้องสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแดงไปทั้งหมดไม่สามารถได้เท่านั้นเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะท่านเรียกว่าอัตตาหิตันโนนะโถเอาให้เต็มภูตนนั่นแลเป็นที่พึ่งของตนเราจะทํายังไงจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้จะไม่กลายเป็นค่าสึกต่อเราเองถ้าเป็นเรื่องความรุ่งโรงความอ่อนแอความไม่มีสติปัญญาที่จะนํามาใชา้ก็คือเป็นค่าสึกต่อตอนเอง ถ้าเรามีสติปัญญามีศรัทธาความเปลี่ยนมีความแ ก, กล้าสามารถตามหลักธรรมที่เราทรงสอนไว้พิจารณาลงไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงแห่งสภาวธรรมทั้งหลายแล้วนั่นแหละชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งของตนโดยแท้อีเอาให้ได้ที่พึ่งไม่มีที่ไหนละ่ะพุทธทางธนางกระฉามิีกระเทือนอยู่ภารกิจใจไม่อยู่ที่ไหน ทำ ม, มังสะหนังกะชะฉานีกระเทือนที่จิตใจสร้างคังสนังกะชะฉานีกระเทือนอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นรวมเป็นภาชนะรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมในจิตดวงเดียวนี้ถึงว่าจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายเอาให้เห็นแล้วเฉพาะยังยิ่งจิตทั้งดวงที้แด่คือธรรมทั้งดวงขอให้ําระจิตนี้ยิง่งหลุดพ้นไปด้วยแล้วก็ยิ่ง คุโธธรรมโมสังโฆไม่ทราบจะไปถามท่านที่ไหนไม่ถามไม่สงสัยมองดูธรรมชาติแห่งความรุ่งตัวเองที่แสดงความสมบูรณ์อยู่เต็มที่แล้วก็ฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธเจ้าถ้าทำประสงค์ลงเป็นเอกธรรมอันเดียวนี้เป็นธรรมแท่งเดียวเหมือนกันนี้่ผลแห่งการปฏิบัติกาจัด กิเลสอสวะของตัวเองตั้งแต่เริ่มแรกที่ไม่มีคุณค่ามีราคานี้แต่ขี้เป็นหัวใจคือขี้โลขี้โกรธขี้หลงทำละขี้นี่ออกโดยลำดับลำดับเมื่อหมดของกปกปวกนี่แล้วก็เป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาแล้วแสนสบายอยู่ไหนก็สบายตรร น, นิพพานนังปรมังสุญญ์อย่างอะไรสุญมันก็รู้เอง อะไรยังอยู่ก็รู้นะใครจะไปรู้ยิ่งยิ่งกว่าผู้สิ้นกิเลสแล้วอ่เขาคําว่านิพพานังปรมังสุญญ์ยังนี่ท่านพูดออกมาจากความที่ผู้สิ้นกิเลสแล้วผู้เห็นนิพพานแล้วพูดออกมาคือพระพุทธทเจ้ายนะพวกเราไม่เห็นว่าอะไรมันก็ อ, อยู่นั่นแล้วพิจารณาให้มันเห็นความจริงกับเรานี่คําว่านิพพานังปรมังสุญญงจะไม่มีปัญหาเลยเลย ไปจักอยู่กับใจแล้วว่าอันใดสูนอันใดอย่างนิพพานังปรมังสุขขังฟังดิคำว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความเมิ่ยสุขของใจร้วนร้วนยึงไม่มีการที่คาที่ว่าเกิดที่ว่าดับเหมือนเวทนาทั้งหลายมีทุกขเวทนาเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ไตรลักษ ประมังสุขขังที่ประจาจิตบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่สุขที่เป็นไรละมไม่ใช่สุขที่เป็นทุก ข, ขังจากนาตาัตตาจึงไม่มีความแปรสภาพคงเส้นคงวาต่านน่ะนิพานเที่ยงอะไรเที่ยงจิตที่บริสุทธิ์ที่เท่านั้นเที่ยงเอาให้เห็นเอาให้รู้มีอยู่กับทุกคนาการแสดงธรรมเห็ น, มนสมควรขอหยุิตอย่างทั้นี้